คนเฮาเกิดมาในโลกบกคลือกันสร้างบุญมาบกคือกันบาร ม, มีมบกคลือกั น, กกนในอดีตชาติเาคงจัดการทำการสร้างเขาคงจะบกคือกันเพราะว่าบางคนบอกว่ถ้าว่าให้ทําสาธารณประโยชน์ผู้ขาบรเห็นนะผู้ขาบอกผมมีศรัทธาแต่ว่าผู้ขาเลยสร้างวัดว่าศาสนา สั่งสาราสาราั่งวัดหออบอกมาเจะาผู้ข่าที่ซอยบางคนบอกเออเดินวัดป้าศาสนาเนี่มันมากแล้วล่ะขอซอยทั้งสาธารณประโยชน์ทั้งเมน่นค่ะสาราพรักศพบอกมาผู้ข่าที่ซอยผู้หนึ่งก็บอกว่าเออพวกผู้ข่าชีซอยในโยชีสาธารณประโยชน์เครื่องใหม่เครื่องมือโรงพยาบาล แต่ว่าต้องแยกประเภทดิเนถ้าทำเสียงเออได้ยุ่เครื่องช่วยหายใจเนาะคนแก่เฒ่าไปแห้งพอดร่อยปีไปแห้งมัมีท่านที่ใหญ่ไปหนักแค่นั้นให้ออกซิเจนเครื่องเราเป็นหลานเป้าประโยชน์อาจารย์นนหรับานเียนนะสําหรับผมหนึ่งคอร์สทงเครื่องเมื่อยางอื่นเพื่อสรุปแล้วก็คือการสั่งบรรณีมากบวกเพิ่กัน ผู้นึ่งเน้นนักปัจนิผู้หนึ่งเน้นนักปัจจนิแต่ตามไม่จริงคุ้ประโยชน์ขื้นกันพอหนั้นพวกเข้าเกิดไม้ที่บวกขึ้กันผู้หนึ่งเป็นข้าราชการผู้หนึ่งเป็นพ่อขา่าผู้หนึ่งเป็นเช่าหน้าผู้หนึ่งเป็นนักธุรกิจ ธ, ธุรการนักกอสามากไมก้สรุปแล้วสรุปเลยคือเนี่ยการสามมันไม่แม้บวกขึ้นกันเนี่ยคนโบราณคนั้น ถ้าไม่เป็นขอคิดพลันไปในศาสนาภาพเขาบอกพรหมฤทธิ์คิดนลันไปพรหมฤทิ์คิดให้ลงมาเกิดตามบุญวาสนาบระมีที่ได้เหตุสมรรคอย่างนิมลูกหลานของหลวงพอ่อหลวงพ่อถามเป็นอะไรไป ห, หน้าของผมในหน้าอาจารย์นยขนาดยูสูงกว่ามุกน้ากระบวดเป่งไปหามูกระเพาไปอีกหน้ามา่นไหน ทั้งไต ม, ม, มันกิดนาจิ่มมีหนามันกระโบมีแต่ว่าหน้างอ่ำเพระเทไนไปเห็ดทงหันก็งอ่ำเห็ดทงนีางาน่ก็งอมำเพราทไนเฮ้แกนคงสร้างบา ร, รมีมากทั้งเห็ดหน้าคงจะทำมาค้าขายบารมีเรืเ่องแบบแบบนั้นควรจะหาสื่อน้าไดหลายทงเห็ดไท้เ ห, ห็ดหน้าขาย่เพราะพ่มีคิดไม่หเห็ดหน้าอะรแบบนั้นหลงพ่อว่เฮียทำมาค้าขายอย่างอื่นม่ได้หรอก ข พ, พ่อมันเขาลีกคิดเหตุมาเหตุหน้าจะดนมันถือกับหน้าแล้วดวงชะตาชีวิตถูกกับหน้ามันต้องเหตุหน้าดวงชะตาชีวิตถูกกับอะย่างเหตุนะั้นมันหลงโรดน ะ, นะวณะสงฆ์ชะตามันฝืนดวงชะตาไปเหตุนัมันก็บกุกฝืนบวกเกินแนละ้วหลวงพ่อไมคิดชาชนาพรมันเขายังโงเป็นในท่านเป็นมาก ปลาล่ำปลาล่าลมีท่านปลามปลา่ามานในโมเนมาในตะไตปิโตเปนทานปลามปลา่าไ ก, ก็เป็นดิทานที่นาชิบวนไปคำเมื่อมีประจวบประดิษฐเมือหึ่งันแล้วก็มีดูดนหุบเขาแล้วก็มีผานผ่านปาลงไปแต่ผ่านปานี่ยอยู่ในตะกูลเวลาผ่านป่าก็มีผานหลายคนเวลาไปไล่ซัดตนเกง่งในกว้างด้ เอากระไดแลนหนอาหารปลาวนไปก็มาฝากพระราชาพระราชาก็ได้กินในสวยนั่นแหละพวกอาหารปลาจากนั้นก็ให้การสนับสนุนวไปให้สเสบียงให้ล่างมันพวกผ่านผ่านไปปลาดองกระไดมากเอาของมาฝากแต่บาทเนพระราชาพอมาเห็นผ่านมาเยิ้มเยิ้มแย้มใสว่วไปพระราชาก็ถามเราวนไปให้ผ่านเมื่อไป เที่ยวปลาเที่ยวดงเนี่ยมันเป็นยังไงกท่านจะว่าไปเลยอลก็ะทุกสบายกันไม่ยู้ฮาลังเทือกแต่มันก็ทุกกับยากเนแล้วหลายกามูทุกขกับยากันะังไมันไปในปลาในโดงเนี่ยมันบ่ ม, น ม, มีถนนโนทางเนี่ย่าตกฝนรงก็หาดสีชนสบังกับบ่มี แต่พระราชาน่มัจะปทุ ก, กับยาดกันขึ้นเน่คนนี่แต่นยสะดวกสบายไปใสอสระเสรีไปใสทุกคนยน่นหย่องนับถือกี่หนาขี่สั่งไปไปใสมัจะสะดวกก็สบายลวไปก็ป่ทุกับยากมันคยได้ยินเป็นยังไงทุกกับยากมัน เ, นเป็นยังไงวันนี้เดีวถามพ่านี้เอ๊ะถูกกับยากมันเป็นในพ่านมั้ยเดโอยบอกไ้ฟั่งยาดแล้วเ็เจ้าขาว ท่านไหไปสัมผัสโดยตนเองจะกูจักว่าทุกข์กับยากเลยอือันทามเสิไปเมื่อไรมู้เสิไปป่าเมื่อไรผ่านคำถามพระเจ้ากันดินถามปเปรื่อ่านสับสับปดาณาครับผมเออท่านมงไดเมื่อไรให้มึงบอกกูหน่าเแตนะ่กูก็สิเตี่ยเม่ที่จััน่ะให้เอายังไปได้หรืนะันรับแลกกับถ น, นูแล้วใช่ไหมธนะูนสำหรับยิงสั์ อันดับที่สองก็ถือ ก, กระเป๋าหนังกระเป๋าหนังกันมี้เครื่องทับประสัพรลักเครื่องนองอมติดตัวแน่หลายดอกเสื้อผ้าอะไรต่างๆมองของใส่ชนตัวจําเป็นใส่กระเป๋าหนังไปนั่งถาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าก็ได้แล้วฝนตกข้ามใส่กระเป๋าหนังเปหลังไปนะดอกกระมิ้ี่ยังกรไมิ้องเท่านะ่ะรองเท้าพกหมวกกันเกลียบกันนุ่งนั่นแะหบะพกหมู่ ที่นอนนํ้อกันมันไดเวลามาบอกไนดะครับผมประจว้ารมาแทนแล้วบุญไดเวลามาบอกพระราชาแล้วพระราชาคนอยากไปประจนไัยมันไปไปประจนภัยไปไปเชิญไพรยืนในป่ามันไปพอไดเวลาในผ้านก็ผ้าไปแล้วมันไปผ้าไปเขาป้าชวนในป่านก็เตรียมของหุงอาหารลี้ยงพระราชาพร้อมหนุนมันไป เขาสารอาหารแห่งเตี่ยมใส่กระป๋ปอกันเพราะยางยางไปบุญแล้มั น, ปนไปพระราชามันเคยยางปลาได้มันเคยยางแต่ท่านวันนี้มุกปลาแต่แล้ววันพ่ามุกปลาเขาไปทะนุมันก็ไปของน้ํามันกระเป๋ามันไปของหน้าใหม่วันนี้ล่องเท้าไปของเครื่อใหม่วัน่องเท้ากรลุกพ่ อ, องเท้าหมวกกับผูุษพ่อหมวกวันนี้เถะนุของนั่นของนี่ เป็นยังไนผ่าน่าฉันเมื่อก็ยังไปไหว้แดี๋ยวฉันกูเป็นยังเป็นสีอันหนึ่งลยาบก็ฉันนยมันยากอะไรเลยโอ้วันเป็นสีที่อยาบพันนี่แหละยากเนมันไปแล้วมันของนั่นติดติก็ว่าหยากเป็นสีแล้วโอ้แล้วทุกเรา๋ยวฉนเนีทุกเี๋ยวเราจะเจอต่อไปไพ่ภาคหนาทุกๆขนาดหยาบกูขนาดนี้แล้วฉันเนียเมื่อกี้ไปผ่า้กูไปทุกอีกกูเทียบจังไหญ่ด้วยฉันเ ขนาดเนี่กูยากู้ี่สิบใใชบ่าาแล้วอะไนี่มีลุงตงนั่งไปเลยกัาไปพ่อไปหอดวานี่ไก่คำกันาไปตไปหอดไกลคํา่านี่ไปหอดบานรังเลึง่งอยู่ในดงเขาก็มีชอนผัวเมียกขาอยู่รกันแต่ว่าเมียผัวทองโยแล้วมันเนี่ยตังขันมันไปทองโยละเนี่ยจะออกมาได้ก็บงงเลยไปทาง่านกูจักกับเพื่อนดีดีนไปพันธนี่น่อนมันนนนมองเอือนก็จัดยังไงวะนาะ กาที่นอนปล า, ากระยังไงเลยกันอนอาศัยนอนบ้านเ า, าเศ้าแต่คุ้มสะดวกสบายได้สักนหน่อยยามมืที่ถ้ามาผอหารเียงพระราชาอะไรเข้าไปกสิบก็าสามก็พอจะคองบ้านเฮ้ยแม่หนอนนํางในเรอะนอนในห้องไ น, นีนอนมุ้เรื่องดอกอะไน้ เ, นะเนกับนั่นก็นนอนมีมุ้งเรื่องสาบากนกะหลังบกวา่า คนนี้เป็นครือพระราชากตามือนกูนอนใสกรไดหรอกแต่เเจ้าเนจเทัาแต่มื่อจะบอกไปบอกมาเนนเสด็จมาปาชาบ้านนอกเขาก็ยานเดีวยานพระราชาเราจึงสั่งห้ผ่านตามสบายลยบาดทานเนี่ก็ได้นอนบาดนอนฝนตกมาฝ น, นตกนะฝนลิ่นเนี้ยมขึ้นใน้อนไปฝนตกลิ่มสสสแสบบ้านหายนังนะก ปวดท้องสิขอดลูก บ, า, กน บ, า, นบ า, านี่สิขอดรุกใบ้านมัไปมาฮนี่เพระราชาไปดูยดอยู่ในห้องเก็บแคบคุปตะไอเดียบ้านนี่เขาไปให้พระราชาคับให้ผ่านออกมานอนทางหลอกบ่ายเนี่สวผมเมียเขาก็นั่นแหละเมีย่ยเขาสิขอดลูกมันไปพระราชาออกมานอนทางหอปัอ้โอ้โอ้ต่แต่แต่ฝนตกห้ามลิ่นมานไ่ถือฝนแล้วก็ถือแป๊วตรให้ผ่านเข้าไปยามเอาผายขึ้มไหว้ ไปเจ้าเป็นดินธรรอันนี้คออย่างตันตอดอันนี้แหะคือถูกกุเโทโททเมื่อวานกูเจอยากกุาลเมื่อกกูเจอถุกกุศโอพากูกลับถึงเมืองอื่นกุศลกากูืนดูต่อไปกูตายได้เนี่ยแบบพี่กุศลเลยกับกับกับกุศลเลยพักพักผ่อนเถอะเพื่อจะไเดินทางเอาําลังตะกอนไปภรรยาฉันเองเอกเขนิดมันงไปโมนนอนแพน เนี่มันพนฝนตกเนี่ยเอ็นกายจะนอยมันงอนหดอีกแนี่เพราะเอ็นกายพวกเครื่อเครื่องเนไปเนีพวกเครื่เคร่อี่ยมาทูดเขาถือแฟ้มมาบางเนี่ยฝันมันลงไปลักษณะฝันนขึ้นึนรับขึ้นตือนมันอกไปฝันไปยมาทูดก็ถือแฟมมาาปเพราะถือแฟมมาาไม่ยืนดวยในหอมถามไหบอกบอกไม่น้อยอยมันเกิดไมอะนะ เงี้ยฮันเอหน่อยฮะก็เกิดนะมาไปจดที่จดนะมึ่งเกิดมาแล้วมึ่งที่ทำอาชีพยางหัวอะไรเนี่ยยังมาถูกทำมึม่งจะเป็นรล่ซ่าหม า, หากษัตย์เป็นพระเจ้าเป็นดิ น, น oh. มอสเนจมดมักหน่อยว่เขาไปจดจดลมึง่งจะเป็นพ่อข้าพ่อขายทมามหาเลิ้งชีพแบบทามาขาขายบอสบอนี่จดจ ด, จดลงหมด่งมังทีเป็นยางไงมึง่ง เป็นชาให้เาหน้าทำให้ทาหน้าบอสเหตัยเหต้น่าจินตีเลยขับของคนดแ้ะอ่าก็ไปจดไว้ขอจดไว้แลเดอเมึงว่แนวศิวะอีกว่าสิบบอสครับเดือเป็นชาวหน้าเนี่ยเกิดมาชาติเดียวเยานีย่อมาถูดเขากเลยลับไปวันนั้นพอลับไปไปเจ้าไปเนี่ก็ตื่นขึ้นมาโอ้ฝันยังมาฝันขัดฝันแน่เลยฝัน จิงฝันจากรอบกรเดียกทั้งหมดเดียวสั่งทังทีนอนก็เครืองเค้มเลยบาเนเองก็เลยพ่อตื่นมาเหตุการกินแล้วก็เลยบอกว่าเด็กน้อยเยียขอเถียงเาสันขอขอในเมืองขอขอไปเลี้ยงเขาสั่ตังผัวเมียโอ้ยขอได้ยังไงจะเกิดเมีอเนียนั่งในผ้าก็บอกว่าโอ้ยออไปปรไเดี๋ยวเดียจะตายน้าทามให้เขาเลี้ยงมาทะ้วนเดี๋ยวผมชิมวารับทีหลังบอกว่าสั่ะเออมึงอย่าริ่มจะแย่เดี๋ยว ปีสองปีตัวมันง่ายเละหรือไม่มาหลับหน้าบอกนผ้านมารับผมปบคาับกับกูบปไปทอปอะไรหรอกอ ะ, ะไรโง่ไ่วยเพราะฉะน้ทุบ ก, กับยากกูเจอแล้วกูหูแล้วบาดเนี่ยคืออย่างตะกอนอย่างนแต่มาว่าทุกยากเขาไปในป่านของผงไพยแต่บาดนี้กูหูแล้วทุบ ก, กับยากคืออย่างเาะฉนี้น บ, บา้านกับเพราะหนบานเนี่ยก็เลยนายพานแล้วก็กลับมาเลี้ยง ว, งว่างหมด กับมามันก็ยูนะใจๆนักเคดอยู่นะแป๊บฝันมือกันะมันฝันขัดแต่แถวจังหมักหน่อยนะบางวันมันเกิดเป็นช่องให้ชองหน้าเดี๋ยวอีกสักนั้นกูจะให้ไทย้านไปเอามันกลับมาจังเไยพ่อนั่ยก็ถามไทยมันอยู่เรื่อยๆกงไปพ่อเนี่ยแบบเปบ้องระบอันไปเห็นมันยู่ึมันยางอะไรเลยยังเกือบพี่างเด้แล้วเกือบ ทำบอย่ญญางไนซอยจะขอแมบเอกมากนล้วไปรับขอขอเ ข, อขอมาเนี่ยค้าร้างว่านเอาให้เขาหลดให้เขาแบบไปให้รางวัานไปซื้อลูกเขาหน่อยไปให้พ่อให้แม่เอา พ, พระเจ้าเป็นดินขอเขานําไปบ้านนี้เลยก็ไปบอกกับพ่อกับแม่บอกว่าท่านพระเจ้าก็นดินขอขอปวาแล้วตั้งแต่เพิ่งมานอนนําข้าวนั่นพันอยากไล่ลูกเข้าเหมัอนเด็เอาผายกหายเพิ่นบอกไปย้งเขาก็ไปรับร้างว่นานกักแเจ้าเป็นดินจักไม่พลาด เขก็ได้หมอบลูกช้หน่อยเขาให้ <S <S เขาก็คงจิะนายย้านตาหยดหน่อยน้าตาย่างเพรีย น, นนะว่าปลูกไช้เพราะปีของเขาอีกตั้งหากันไปพ่อไปมอบไปแล้วเจ้าเป็นเองก็พห้ย่ามเรียนกยรกะนุนกถนมกอมเก่าหาวิชาความรู้ในยุคสมัยนั้นฉีเหียนนะว่าให้เหีนมัดขแนเอวลไปเพื่อหาความรู้เจีมันมาอะไรต่อมากขาเลยอขันเทวเหลืองพระราชชาต่อไปพ่ายภาคนาวพวนัก มันก็คงจบหมกอยากเอาให้เป็นพ่อข้าก่อนให้เป็นพ่อข้าอะไปมานี่ก็เลยได้ข้าวทานเี่ให้มันเป็นพ่อข้าขายไายขายมั่วน่ะก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นนายห้อยอะไไปนายห้อยขายควายท่าเองสิน่ะสื่อมัก็สื่อไก่มาเป็นฟูงะไแบบเขาหาลูกน้องมาแบบเรียกนะครับจุกติมั่วอะไรมัวอะไรไก่ต้องไปขายอายุทยาเห็นสิน่ะเอาไปก็เออนายห้อยทำไมนี ผู้เป็นแม่หอยเลยท่าป้ายกระเป๋าาเขามากเข่นพุ่งเนี่ย่างลูกนองกระไรงอไรควายตอนมาไปนม่หอยเลยนี่แต่สมัยก่อนจะถือปืนลูกซองมาหนัไปเพื่อคุ้มฟูคุ้ ม, ม, มลูกนองมานไปสมัยก่อนโจนมันกรลายเลยชัดปามันกระายเสือมันก็ระไรแม่หอยเนี่ยต้องคุมข้อมือหรือข้าผมข้ามถ้ายู่ยง ข, งข้นคงกระพันชาติเสือ่องรามของขางแต่ลายนะโอ้ยแม่หอยเนี่ย จากที่ยันตอยันจงยังนยง์ที่ว่เป็นหมดาแขวนหว้วันนีนยันต์ยันต์เขามาปนมาจี๋มันก็คุมคุม้มฝูงหมดไปเมื่อทายเนก็เลยไล่ฝูงั่วไปฝูงค้ายไ ป, นไปในหอยไม่ปฏิเสธมาในสมาชิกันสมาชิาขายปฏเสธหมดพ่อไปหอดกลางหลงงังวเ ข, ขควายมันถือกินเสือจากไหนบุบะเนี่ยแบบ แ, แ, แ, แอะไปคนะทาเลครับเมื่อเราไปวายไปแต่นงังวไปแตน่นึง โอ้ไกลแต่ในแห้งแนลนแตพ่พืชต่พืชเขาปลากขดงเอาไปมาจับนวดคายด็ตัสองตัวเนาะโอ้บ่ได้กลับมาก็เลยถ่ายกลับมาหาพอยโอ้ยพอยไปหอดกางดงโอ้ันตื่นเนี่ยกระโบโห่แต่ไกลน้ากระ่ปงน้ำมั้งก็เหนะอยบอว่ากวกับควาย น, น่มันมันเป็นถุงมันเรียนเนี่ยมันมันเฮ็ดเนี่ยันนี้ให้มึงเป็นพอาซ่ า, างนะ คือ พ, พระเจ้เปินิย์จะทดลองผมดิคิดว่าจะฝืนผมดอคิดว่าโนนไปที่แรกเป็นคอพ่พอขาควายกับพ่อขามั่วบาดแผลเป็นพ่อข่าสั่งบาดแอลสีสั่งสั่งมีคว้านกระตุ่วกระตุ่วขี้ข้อมันจะไปใส่เลยนะเนี่ยมันจะแลนไปแบบขอสับหอมันไปนีโอยู่แล้ว เป็นพ่อค้าสร้งทำไมเป็นพ่อค้าสร้างเนว่ยไขายตามเมื่องต่างๆเนยสมัยนะั้นพระราชาตกชั่งกับมานะ้าเนเป็นพระหนะสู่รบตบซืดทั้งหลายจต้องอาศัยส้างกับมา้าอาศัยตามไปเืนงวกควายสาหรับบรรทุกรองไปหนไพอสร้างไปขายมาในทะเลจี่ชามเาไให้รวบรวมไปเพไปขายตามหงหัวเงินต่างๆ เอาไปมาหอดกลางหลงอีกที่เราเราไปสร้างคือนนกินยังกระโบโ ห, ห่เราไสร้างแต่โขมบัตเนี้ยโอควานสร้างตกไปคนละทิศคนละทางสร้างแล้วแล่นเข้าวป้าข้ลงไปเราไปไปเป็นมูสางป่ามัดบัตนี้ยจับกระโปรงอะไรปฏิบบทินบุตรที่หอยที่จันจับสางบัตเนี่ยโอ้ยกลับมาหาฟออ ย, า อ, อย่างพอหายโอแหงมันไปโอ้ยพอไปหอดกลางหลงสร้างแต่อีกประธานบัตเนี่ยนัํากรบโท่านมันเขาไปเป็นสางป่ามัดเรา เอาชาวสะกอนทากแาท้งกันมาบ้าพ่อก็เลยบกประกาศเอ๊ะมองไดหน้ามองได้บดุบ ต, ตีวะหน้ากี่กระตายหน้ากีาะะ่กระแต่มาได้หน้าถีมันบ่อถีที่เป็นโน่นนะจีมันปลูกเขาพงงามมี้ยบ่อในเมืองเฮ้าข้าแมนคูมือเน่ยเขาก็จีบไลไปถุงไปแล้วถุงคุล่าลองไหมผมมีขี่ไส้ผมมีผม ม, ม, มีปุ๋ยปนว่ะนะเนแต่คูมือคุ้ราลอหนนามได้เขาใส่ปุ๋ยเยอนไะป สมัยก่อนผมมีปุ๋ยปลือูเขาหนึง่งกินเห็้นๆๆกินแผ่นลงไปที่จะพุูนแล้วทุ่งทุ่งนั่นแล้วเทไงเขาวบวงอ่ำเออเอาไปให้ลูกไสยปูไปเห็ดเห็ดหน้านมโนมาในเขาหลอกได้ป่ะเนี่ยเพรมันเกิดมาเห็ดหน้าเนี่ยมาในหมอนเนี่ยขับผมเนี่ไปกปประปุกแป๊บกระปุกขนมเทียงไรเทียงหน้าขึ้นมาชเช็ดเรียบเลยกันคู่คั้นขึ้นมาเลย ปรับสถานที่โอ้ยก็ปลูกเขาแล้วเนะ่ยเขาง่ามขนาดไปแล้วไปแถวนั้นเขาปลูกไผกระบองง่ามไปม้อนี่ไปปลูกง่ามมัดโตใส่ไหมไราง่ามมัดพระราชาก็เลบอกอืมอันนี้ปูฝันว่าพมดิคิดมันว่ามันอยากเป็นเศร้านาแม่นอิริได้นี่เถอะ น, นี่เพราะว่าน้ำไผเกิดมาในโลกเนี่ยมันเกิดตามกรรมของไผ่ของมันจะไปฝืนวิบากกรรมของเขาน มันฝืนอย่างเพราะฉะนั้นนี่แหละผู้ดใดสา่อีกอย่างมากมันก็ต้องได้รับอ น, นันต์พระลาชาก็ได้ปลงตกคนออกไปเป็นกรรมผู้ในหน้าวัตติโล ก, กูสัพย์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไปแล้วคันว่าตัวเองทํากรรมดีมาในอดีตกํามดีนันก็จะตามสนองถาว่าทำกรรมชั่วมาแล้วกรรมชั่วจะตามสนองจะเป็นฝืนกรรมคือการกระทํามันฝืนบอ่อใด พลาซ่าก็เลยปรงตกคนออกไปแหนย่อมรับเนี่แหละอันนี้คือพมลิชิตคนออกไปเป็นมาคนโบราณเป็นคนเมาล น, นไปแหน่ขั้นว่าคนจะอย่มาเป็นเจ้าเป็นน้าพอดีคนจะเป็นพ่อขาว่าน็จในถตกว่าดีต้องให้บุญเก่าในอดีตคนองังไทยรักษาไม่เมื่อว่าเน็ตเป็นในสมความความมูมาต์ปรารถนานให้รักษาไวไ้ที่บ้าน แต่ปฏิรูปรเทสวาสู้จะเกิดในประเทศอันรรทรงขุนปกเพจะกระตับปุญญาตาพกเข้าด้ท่านกรรมดีไวในอดีตแล้วจึงมาเกิดในภพนีิชาตินี้อัตตสัมมาปณิชย์าะเพราะนั้นต้องตังต้งผนไว้ให้ชอบขั้นตตังต้งผนไว้พรชอบเกิดมาชาตินีกินเหล่าเมายาชุลา่าหนารีพ่าชี้กิลาบัตทําตูบทิสมารีเท่เมาลงไป ออกจากสาติน้องไปแล้วพูนแล้วบปตกตำอีกคนไปเพเห็นไดเพราตัางตนไม่โปรชอบเนีตอนนั้นตป้ลว่าให้ตังตนไม่ชอบเนอประกอบแต่คนงามคนดีสิ่งที่มันบรียญาเฮ็ดแต่มันแต่สิ่งที่ดีเนียแต่เฮกดทิ้งดีสามแต่บุญกุศลแล้วตังตนไม่ชอบสวรรค์นิพพานมนุษย์สมบัติน้องหลับพวกเข้า อ, อยู่เนี่แหละเปิ้ลว่า ในหลักของพระพุทธศสาสตนาพันมาถึงสันได้ปฏิลงปะเทสว่าโซดจา่าคานว่าเห่าไปเกิดหองทุกข์ยากลําบากหองขาบขาฟันกันแท่งกันเลยแถวต้วอออกกลางบดแบบบเลือดยักเถื่อเลือดหลบกั น, นแล้วไปเกิดแถวหนุนแถวแอฟริกาทีอาหารมดพอปากพอทองที่เหาเห็นในหนังสือพิมพ์เห่าขบวนเมนดูถูกเขาได้เหาเห็นในหนังสือพิมพ์เขบว่าตามหนังสือพิ ม, าามพ์มที่เหาเห็นมันไป เาอาจจะลำบุญเขาเฮ้าเขกได้แต่ว่าบนบที่เห็นนันสีพิมพ์โอ้คือคนแต่บอกคือคนทองใหญ่ๆหหมใหญ่ๆขาลีบเรียบช่มอันนั้นแปว่าไปเกิดอถึกทีถึ ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ถกถทางเราก็ออไปอันนี้ทงศีลนี้สงทานผมนี่จะไปเกิดมองจังสันตาเราพตายหายเราก็หายด้วยรก็ด้วย่มไม่ดูไม่กินอันนั้นแป ว, ป ฏ, ป, ป, ว, วปฏิรูปเทสวาสุจังว่ามันปฏิรูปไปมาไปปฏิรูปปฏิรูปเทสวาส เกิดในประเทศอันบริสงขุนยังพวกเขานี่เกิดในประเทศกันสงขนะุนมีพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์การทํามหาเลี้งชีพอุดมสมบูรณ์พ่ออยู่พ่อกินวัตถุปวียาอาหารการบริโภคถ้าจะเปรียบเทียบกับแลหลายประเทศอะไรประเท ศ, เท ศ, เทศไทยของเขานี่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดืออาหารการกินมนันไปยังว่าปฏิรูปประเทศสวสัสดิ์จะปุกเพจจากกระตักขุนกะตา โค้ขา้าค้งเจดีถ้ำบุญรวยแน่อดีตแถวโน้นะไปเได้มาเกิดหมองจังสี่โนะ้ไนไปเจึงหมองลำหมองลุวยจังสี่หม่งไม่ยูไม่กินหม่งโบดประยาดกันแล้วอุปเท迦กตะปุญญตาอัตตสัมมาปนิธิแต่เมื่อเข้ามาเกิดจังสืดให้ตังตุลไม่ชอบเด้อเพราะมื่อเกิดปงดีแล้วให้ตังตุลไว้ชอบให้ประรกอบคุณงาความดีให้สังทานให้ดีให้สร้างสมบุรณ์ุศลไว้ให้มันคองอีกขันว่าเฮ้าประมาท อยางบสามคุณงามความดีดูแลความประมาทออกจากชาติไปเลยตกต่ำเน่าเพื่อเพื่อจะไปเกิดแถบประเทศที่ว่าในก็นได้อย่างนั้นี่ยยิ้งดีเ น, น, นี่ท่านไม่สิ้นไม่ภาวน่าสามคุณงามความดีช่วยเหลือชุมชนประเทศชาติเขารูพ่อแม่บิดามารดาไว้ยมุขคุณยุทธของตระกูลของตนเองจากนั้นก็ไหวพระสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สามคุณงามความดี เ, เ, เด น, ดด น, น่ ทำใจให้อ่อนนองทอมตนนะฮะจิตใจมีเมตตาเนออย่าล่งแใจเบียดเบียนึ่งกันละกันนอะอย่าดูถูกเบียดยามผู้อื่นเนพรากต่างคนตามมากกรรมของภัยของมันอย่างหน่วยมันเกิดขึ้นว่ามันเกิดต่ำกรรของมันเสียเป็นพระราชามันก็เพราเอาเสียเป็นอวขาว่านิมันกพราะเอามันก็จะเป็นชาวนาเกิดมาเป็นชาวนาหรือต่ำกรรของภัยของมันต้องการหน e ่งชันมันไ็่สามารถจัดสรร กรรมมนีนาวัตตีโลกโกสัตตโลกยองเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้เออวนเมื่อนี่ลงพอให้แนวความคิดแก่พวกเข้าอันนี้สะ น, นำไปคิดนำไปพีจารณาบางงออแมนบ่หลวงพ่อว่าแมนไนหะเอาหลับพ่อยันบารินาออนโมท น, นาให้พอ